หรือผ้าหันทั้งหลายก็คือผู้ที่อิงอยู่ในพระนิพพานอาศัยอยู่กับพระนิพานพานพระนิพพานเป็นเป็นที่เรียกว่าผ้าอริยะทั้งหลายโอนไปในวิเวกเงื้อมไปในวิเวกน้อมไปในวิเวกนั่นคือพผ้าหัน์ก็เหมือนกับว่าที่อยู่ของพผ้าหันถ้าผ้าอริยะสัโสดาบัญสกธาคามมอานาคามมก็เป็นนักท่องเที่ยวอยู่อย่างไม่ใช่แค่เรียกว่ากำลังจองเมืองอนะไรเงี้จองว่าจะเอาตรงไหนเข้าเข้าเข้าเข้าอยู่แน่แน่ะ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 สติปทานนั้นนะนะสติปทานก็ ส, สติปทานอันใดอันนั้นก็เป็นสัมมาสติสัมมาสติก็อยู่ในอริยมรรคนั่นเองสติปทานนั้นนะเป็นถนนเส้นที่เรียวกว่าไม่ขาดไม่คดเป็นถนนที่ตรงเอกายโนพิขเวายังมัคโคส ต, ตานังวิสุทธยาดูก่อนพิสูุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งศาตร์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกาปริเทวะ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 จึงกล่าวาไว้ในสติปัฏฐานอัตกถาเปรียบเหมือนว่านิพพานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเมืองสี่ทิศเมืองสี่ด้านเมืองสี่เหลี่ยมเหมือนกันเถอะกายานุปัสสนาก็เหมือนประตูที่ตะวันออกเวทนาก็เหมือนประตูที่ใต้จิตตาก็เหมือนประตูที่ตะวันตกธรรมานุปัสสนาก็เหมือนประตูด้านทิศเหนือชนเหลา่าใดนะถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องเจริญถืออันไหนเป็นหลักก็เข้าสู่นครคือพระนิพพานได้ฉันนั้น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 ถนนอันนั้นก็คือสติประฐานอันประเสริฐนั่นเองอธิบายว่านิรันตรังชื่อว่าไม่ขาดเนี่ยนะนิรันตะหรือนิรันดรนนะภาษาไทยไทยเราเรียกว่านิรันดอนไอ้คำว่านิรันดรแปลว่ามันไม่ขาดเพราะอะไรเพราะกุศลชาวนะจิตสัญจรไปอย่างไม่ว่างเวน้นกุศลชาวนะจิตทั้งหลายโคจรไปตาม สติปัญฐานั่นเองนะเพราะผู้ที่เจริญสติปัญฐานไม่มีชวนาจิตว่างเว้นจากการเจริญสติปัญฐานความคิดของเขาคิดตามแต่สติปัญญานอย่าลืมว่าสติปัญฐานเป็นความไม่วิปลาสว่างามว่าสุขว่าเที่ยงและว่าเป็นอัตตาไม่มีชวนะไหนที่จะไปเข้าใจว่าสุงามเที่ยงสุขและอัตตาเลยนี่นะแปลว่าโครจรไปอย่างนั้นแบบไม่ขาดสาย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 แต่ละบพะพก็ยังลงสู่อมตะนิพพานที่เดียวนั้นสติปัฏฐานเาหล่านั้นก็มีองค์ประกอบมากมายบทว่าสติปัฏฐานวรุตมังสติปัฏฐานนั้นด้วยสูงสุดในธรรมอันประเสรดด้วยด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าสติปัฏฐานสูงสุดในธรรมอันประเสรดหรือถนนที่สูงสุดคือสำเร็จด้วยสติปัฏฐานเนี่ยนะสติจะยกสติขึ้นมาแล้วสติคู่กับ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 สมาบัติ8พระองค์ก็ลากลงบนตลาดธรรมะทั้งสองข้างนะตลาดแห่งการาค้ากุศลธรรมคืออะไรสามัญญผลสีปฏิสัมพิทาสอภิญญาหกสมาบัติ8วางไว้สองข้างทางถนนสติปทานนัน้นถ้าใครเดินตามถนนเส้นทางคือสติปทานเนี่ยนะซื้อขายสามัญญพนสีซื้อขายโซดาปฏิพนสกทาคามีพนอนาคามีผลและอรหัตตาพ นะสามารถที่จะจับใจ่ายใช้สอยอัฏ ธ, ธรรมนิรุตติปฏิพานะปฏิสัมพิทาได้หรือจะใช้อภิญญาหกเป็นต้นก็ได้สมาบัติแบบมีปฐมฌานเป็นต้นก็ได้แห่งนครคืออมะตะนิพานนั้นวันถ้าเข้าสู่อมะตะนิพานแล้วสามัญญผลสี่จะไปไหนเพราะฉะนั้นทงยังตรัสว่าพระพุทธเจ้าพนาวัถีพังกรพระองค์ทรงปู ป, ปูแผ่สามัญญผลสี่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 พระองค์จึงตรัสว่ากุลบุตรเหล่าใดไม่ประมาทไม่มีตะปูตรึงใจประกอบพร้อมด้วยหิริและวิริยะกุลบุตรเหล่านั้นกุลบุตรเหล่านั้นย่อมยึดไว้ได้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐเหล่านี้ตามสบายนะไม่ยากหรอกนะนะไม่ไม่ยากห ร, รอกที่จะเข้าถึงบทว่าอัปมัตตาประกอบพร้อมด้วยความไม่ประมาทซึ่งเป็นปฏิปัติต่อความประมาทประมาท ประมาทก็คือมท t เนี่ยนะความประมาทก็คือความปล่อยใจไปในการมคุณทั้งหลายความปล่อยใจไปในทุจริตทั้งหลายความที่เกลื้อกลัวอยู่กับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ประมาทก็คือไม่อยู่โดยปราศจากสตินสติสัมปชัญญะไม่ปราศธัจการไม่อยู่โดยไม่ปราศจากสติสติศาสกะสัมปชัญญะสติสัปปายะสัมปชัญญะโคจระและ อสัมโมหสัมปชัญญะถ้าอยู่อย่างนั้นได้ก็จเจริญดีอัคิีลาปราศจากตะปูตรึงใจครื่อหประการไม่มีความสงสัยในพระพุทธคุณทั้งหลายไม่มีความสงสัยในพระธรรมคุณไม่มีความสงสัยในพระสังฆคุณไม่สงสัยในศิษขาไม่มีใจคอยโกรธคอยเครื่องเพื่อนสะพรมอาจารย์ทั้งหลายนะไม่ใช่แค่เหยียบเท้ากันก็โกรธแล้วเหมือนกันบทว่าหีริวิริเยนะ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 ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะทรงธทมความรู้แจ้งทางใจแล้วพระองค์ลั่นธรรมภรีคือกลองแห่งทาสร้างธรรมนครเอาไว้หมดยังสัตสนโกรธให้ตรัสรู้เนี่ย น, นะก็เรียกว่าสร้างเมืองเสร็จยังให้ประชุมชนแสนโกรธอยู่อาศัยสบายเลยนะพระองค์เก่งเก่งสร้างเมืองให้ชนจำนวนมากอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นพระองค์ยิงตรัสว่าพระาศาสดาทรงยกมหาชนขึ้น ด้วยการประกอบอย่างนั้นคือด้วยการแสดงธรรมจึงทรงยังสัตว์แสนโกรธให้ตรัสรู้บทว่าอุทธันโตได้แก่ทรงยกขึ้นจากสาครนคือสังสารวัตรด้วยยานคือนาวานาวาคืออริยมรรคเนี่ยนะสาครนคือทะเลแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทะเลคือกามะอ่านะทะเลคือกามทะเลคือทิฏฐิทิเลคือพกทะเลคืออวิชชาเนี่ยพระองค์ก็ยกขึ้น โดยอาศัยยกขึ้นสู่เรือคืออริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นให้ข้ามทะเลคือสังสารวัตรให้เข้าถึงเมืองพระนิพพานดังที่กล่าวไปอันนี้เป็นการตรัสรู้ครั้งแรกอภิสมัยการตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายครั้งแรกจำนวนมากส่วนครั้งที่สองนะการตรัสรู้มหาสมัยการตรัสรู้อย่างมากครั้งที่สองว่าสมัยใดพระสมณะพุทธเจ้าผู้นาโลก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 นนสมมติมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นลอยอยู่เหนือเขาไงมองชัดอย่างนั้นชันใดพระพุทธเจ้าอยู่เหนือยอดเขาก็ชันนั้นพระองค์ทรงฝึกบุรุษเก้าหมื่นโกดซึ่งห้อมล้อมพระเจ้าอริธรรมะตามเสด็จมาทรงให้เขาเหล่านั้นบวช ด, ด้วยเบเอหิพิกุอุปสัมปทา บรรพชาทั้งหมดทุกคนเราภิกษุบรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นนั่นแลเวทล้อมแล้วพระองค์ก็ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงในสันนิบาตอันประชุมด้วยองค์สี่อันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สององค์สี่มีอะไรบ้างวันมาฆบูชานะวันมาฆบูชาท่านเหล่านั้นมาโดยไม่ได้นัดหมายทุกท่านเหล่านั้นล้วนแต่วิชาสามบวชเอหิพิขุทั้งหมดเลย ส่วนครั้งที่สามบอกว่าสมัยใดเ ท, ท้าสกะเทวราชเสด็จเข้าไปเฝ้าพระสุคตสมัยนั้นพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณนะอันพราอรหันแปดหมื่นโกดเวทล้อมแล้วก็ยกปาฏิโมกขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสนิบาตครั้งที่สามเพราะฉะนั้นตรัสเป็นคาถาเล่า ว, ว่าพระสมณนะพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสาวกสนิบาตประชมพระอรหันต์ขีนาศพผู้ไร้ความเศร้ามองทางกาย วาจาใจาผู้มีจิตสงบตั้งมั่นสามครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าจำพรรษาเมื่อท่านประกาศวันประวารณาแล้วพระตถาคตก็ประวารณาทรรษาพร้อมกับภิกษุแสนโกดในสันนิบาตการประชุมต่อจากนั้นสันนิบาตครั้งที่หนึ่งนั้นณนภะูเขาทองไร้มนทินภิกษุเก้าหมืโกดประชุมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สอง ส่วนครั้งที่ 3, ทสมเท้าสกะเทวราชเข้าเฝ้าเยี่ยมพระพุทธเจ้านะเทวดาและมนุษย์8ปดหมื่นโกธประชุมกันนั้นเป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราล่ะเล่ากันมาว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพญานาคเชื่อว่าอัตุละคืาไม่มีใครเปรียบเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธมตุลังเนี่ยนะชั้นใดอัตุละก็ฉะ น, นั้นหมายว่าไม่มีใครเปรียบ เพราะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้ยินว่าพระโพธิสัตว์ได้ทราบข่าวมาว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอันหมู่าติ่พ่อล้อมแล้วก็ออกจากภพของตนพอได้ข่าวก็ชวนญาติเข้าไปเฝ้านะพญานาคทาบุญน่ยนะพญานาคก็มาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมานณะซึ่งมีภิกษุแสนโกดเป็นบริวารด้วยดนตรีทิพถวายมหาทานถวายคู่ผ้ารูปละคู่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 ญาตินาครมีนาคมีญาติเป็นงูเนี่ยนะก็พากันออกจากพิภพนาคไปบูชาหรือบำเรอพระชินพะพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ด้วยดนตรีทิพย์เราเลี้ยงดูภิกษุแสนโกรธให้อิ่มน้ำสำราญด้วยข้าวน้ำถวายคู่ผ้ารูปละคู่แล้วก็ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสารณนะ พระสมณะพุทธเจ้าผู้นำโลกพระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตในกับที่นับประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้เรื่องราวของความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสมณะพยากรณ์ก็เป็นไปอย่างที่เราศึกษาอยู่ในปัจจุบันนั่นแลเราฟังพระดํารัสของพระสมณนะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับคําพยากร์จากพระพุทธเจ้าสมณะแล้ว ก็ยังจิตให้เลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยวดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นไปหมายความว่าบีบในการเจริญกุศลเนี่ยนะเรียกว่าเพิ่มเวลาในการเจริญกุศลเพิ่มกุศลจิตให้มากยิ่งขึ้นเพื่อบำเพ็ญบารมีคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ฝ่ายพระพุทธนะประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมาะมีอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะพระองค์นั้นทรงมีพระนครชื่อว่าเมฆละมีพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุทัตะมีพระชนนีพระมารดาพระนามว่าพระนางสริมาเทวีมีคู่อักระสาวกชื่อว่าสารณะและพาวิตตะมีพระพุทธอุปถาคชื่อว่าพระอุเทนะมีอันนะพระอุเทนะนะมีคู่อักระสาวิกาชื่อว่าพระโสนาและอุปโสนา มีโพธิพฤกต้นโพธิที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นนาคกากทิงพระองค์มีพระสริระสูง90้าสบศอกมีพระชนมายุเก้ามื่นปีมีมเหสีพระนามว่าพระนางวตังสิกาเทวีมีพระอุรสพระนามว่าอนุปมะพระองค์ออกพิเนศกรมออกบวช ด, ด้วยยานช้างพญาช้าง อุปทาคของพระองค์ชื่อว่าอังคราชาประทับณพระวิหารชื่อว่าอังคารามด้วยเหตุนั้นนะนะก็ตรัสเป็นอย่างที่เราฟังมาแล้วนั่นเองทีนี้พระพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นเนี่ยมีพระชนอยู่ในยุคนั้นประมาณ9ก้า0่นปีพระองค์มีพระชนยืนอย่างนั้นพระองค์ก็สั่งสอนมูชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะสงสาร น, น, นะนะช่วยเราเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามทิศโคะ พโควะอวิชโชคะกามโมคะให้สำเร็จข้าม น, นะให้ข้ามด้วยโสดาปฏิมักข้ามจากทิถโขคะด้วยโซดาปฏิมักข้ามจากกามโมคะนะกับข้ามกามโมคะด้วยอนาคามีมักข้ามพโคะกับอวิชโชคะด้วยอรหัตตมักเนี่ยนะข้ามพ้นจากขันธาตุยตนะข้ามพ้นจากชาติชรา ม, มรณะโสกะปริเทวะทุกโทมานัสแล้ว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 ไม่ใช่แบบว่าเที่ยวช่วยใครได้ไปหมดไม่ใช่นะช่วยคนที่พอจะช่วยได้นะเอาบอกว่าอย่างเช่นในโลกเนี่ยสมมุนะ่ะบอกอาจารย์เก่งมากมีความรู้มากเอาพวกพิการตาพิการหูมาสอนได้ไหมละ่ะได้ไหมเก่งมากเลยนะเป็นอาจารย์ชั้นพิเศษโอ้ยสอนเก่งจริงจริงปัญญยายดีมากอนะนะเอาคนตาบอดมาฟังเอาคนหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกพิการทางปัญญามานั่งฟังเนี่ยนะอนาะจารย์ทําอะไรได้บ้างจะไปทําอะไรได้เนี่ยนะ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 สงสารพระพุทธเจ้าแล้วเกินดับขันปรินิพานแล้วเหนื่อยเนี่ยนะสงสารเราอะสิที่แมพระองค์โปรดไม่สำเร็จนะนะหลังจากที่พระองค์เนี่ยนะสเด็จ ด, ดับขันปรินิพานหลังจากที่ทําบำเพ็ญพุทธกิจโดยประการทั้งปวงครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่มีบัณฑิตที่ไหนจะไปติเตียนได้นพระองค์ทํากิจเหล่านั้นเสร็จแล้วก็ปรินิพานเหมือนเดือนดับ หลังจากนั้นก็โลกก็มืดมนอนทการปราศจากพุทธศาสนาต่อไปนี่นะปกติของโลกเนี่ยไม่มีพุทธศาสนานะพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีครั้งคราวเนิ่นนานผ่านไปจึงจะมีสักครั้งหนึ่งถ้าอยู่แบบไม่มีาศาสนาให้รู้เท่าว่านั่นคือคนปกติปกติของผู้ที่เฝ้าขันท่าอริยตนะเฝ้าวัตะทั้งหลายเนี่ยนะ เฝ้ากรรมวัตวิปากวัตรกิเลสวัตเนี่ยผล ป, ปกติทั่วไปคือคนที่ไม่มีศาสนาไม่มีพระพุทธศาสนานะไม่มีคําว่านิศินสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะฆ่าก็ได้พร้อมที่จะโกงก็ได้พร้อมที่จะทาชั่วทุกชนิดได้หมดอะ่ะแล้วแต่ว่าน้อมไปเพราะปกติเขาไม่มีอธิศีนอธิจิตอธิปัญญา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 เขาบอกว่าท bon ี่เข้ามาเอ๊ะปกติเราก็แปลกใจทําไมเสียงโยงคนนี้เขาฟังทำท่าอีะบวยวายแต่เขาอ่านหนังสือได้อ่านสวดมนต์นะนะอ่านได้ก็บอกว่าลาแล้วนะถึงอยู่ก็ไม่ได้ยินท่านพูดหรอกเขาบกงั้นไปแล้วเขาบงั้นช่วงนั้นก็กำลังบัญญาอยู่นะบอกว่าถึงอยู่ก็ไม่ได้ยินท่านพูดหรอกท่านพูดว่าอะไรหรอกลาแล้วะแต่ตัวสวดสวดมนต์นะถ้าบอกว่าอ่านตรงไหนก็จะอ่านก็เข้าได้นะนะ ถ้าเขเลิกไม่รู้ว่าเขาอ่านเลิกหรืออ่านหยุดก็ไม่ทราบนะเพราะหูไม่ดีนะนะอย่างนั้นนะนะเพราะงั้นก็ตอนที่หูยังไม่ถึงขนาดนั้นก็รีบเรียนไว้เถอะนี่ยนะตอนที่ตามันยังไม่กลายเป็นทั่วนี่ก็รีบอ่านไว้เถอะเนี่ยนะก็เสียดายนั้นแม้บางทีบอกว่าตอนที่กระดูกหลังมันยังพอนั่งได้ก็อ่านไว้เถอะเนี่ยเพราะนอนอ่านเดี๋วตาก็เคเดี๋ยวก็เหล็กแล้วเดี๋ยวก็เดือดร้อนอีกพะงั้นตอนที่สุขภาพยังดีอย่าประมาทเลยเนี่ยนะ ก็ถูกก็หวดหลังก็ว่ามันลเรื่องเข้าลาบากพูดถึงต่อไปว่าเนี่ยน ะ, ะ ศ, าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวาสุมาณะก็หมดไปจากโลกพระภิกษุขีนาศพเหล่านั้นพผ้รหันตสาวกถึงจะมีเป็นร้อยโกดพันโกฎแสนโกดท่านเหล่านั้นพร้อมทั้งพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ พระขีณาศพและพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มียศยิ่งมีบริวารมากสาแดงรัศมีที่ไม่มีอะไรเปรียบเหมือนกับส่องสว่างแบบไม่มีอะไรเปรียบแล้วก็ดับไปเหมือนประทีปที่สว่างขึ้นมาโพล่งขึ้นมาสว่างสวัยทั่วไปหมดเมื่อไม่เชื้ อ, อ, อ ไ, มไม่เชื้อหมดไส้ไร้นะ้มันเนี่ยนะนะหลังจากนั้นประทีปแสงสว่างอันนั้นก็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 บัตรนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วนี่ยนะสังขารทั้งหลายช่างว่างเปล่าแท้ทั้งพวกเราเนี่ยอีกร้อยปีข้างหน้าจะมีใครเื่นหรือรู้จักชื่อเราหรือเปล่าจะว่ารู้จักใครจะรู้ชื่อเราแค่ไหนีกห้าร้อยปีข้างหน้าเนี่ยนะประวัติสมัยหนึ่งเคยมีคุณป้าท่านหนึ่งไม่เหลือเลยเนี่ยนะเขพูดถึงเสียเวลาเวลาเขาลอกอ่ะนะเหมือนกับเราห ล, ลายๆเรื่องก็ไม่เห็นเนี่ยเอาคนยุคกเก่าแต่ก่อนคนนั้นทํามานั้นคนนี้ทําอย่างนี้ ก็นั่นแหลสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้และควรแล้วที่จะสังเวทเนี่ยนะเมื่อสังเวทเป็นเหตุใกล้แห่งความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้แห่งโยนิโมสมนัิการโยนิโสเป็นเหตุใกล้แห่งปราโมทปีติปัสสธิสุขสมาธิเนี่ยนะก็เป็นเหตุใกล้แห่งยะถาภูตยา น, นัทสนนิพิธาและวิราคะควรแล้วที่ราจะพิจารณาใคร่ครวญเพื่อที่จะรู้เห็นอริยสัจข้ามทุกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า